บหกสิบเจ็ดอะวรไเยดูสัพพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองสัมบัณฑบพเกษารวนามาลุเรนดุแว่นตากละ ด, ดาลูเขาลืมแว่นตาของเขา อ้หน้นลัลดดาลูมรชิปยารูเขาเอาแว่นตาของเขาวไว้ที่ไหนอ้ห น, น, น้ตนัลดด่าลูกยักกระดเ็ารูนาฬิกากรดิอารนาฬิกาของเขาเสียอ้หนะกรดิอารมปนิชเอดนเล็ดูนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง ก๊ดีอรรัโดเมิดาเวลารตนดหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเขาทาหนังสือเดินทางของเขาหายอ้เนี่ยตนพาสปอร์ตโบกตุกุนารุแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนอะไกันเตอ้เนี่ยพาสปอร์เอ็กรวนดพวกเขา ของพวกเขาวาลุวาละ่ะตมาเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบปิลเลล็กี้ตามะเลนั่นเรื่อยขัดบดแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วอิติโกนดีว่าล่ะทะเลนั่นเรื่อยวศินารวตคุณของคุณ นุ่ววูมีรูนีด้มีดีการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์มีย้าทรายาละไรจะินดีมิลเลอร์กัรู้รายาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิมวเลอร์มีบ้านใหญ่ใหดุนารมิลเลอร์กรัรคุณของคุณนุ่วูมีรู้นีด้มีดี การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธมียอทยละจริกินทิสรีมติสมิธการุสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธมีบัรเทยกระดุบนารุสรีมติสมิธการุ